ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักขรังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปาคาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัภะปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะธามณิโชติระสสยะทาน ติโยวิวันชันตุสาพารโงควินันสตุมาเตภาวัตวันตารายโยสุกียูกโกนภาวะพิวันธนาศิลิสานิษ จางวนธาปาจายินโนจาตารธรรมวันทันที่อายุวันน้ยสุขังพาลังสาพพุทธานุพาเวนัสสะปะธรรมานุ สัพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนานังธรมมรัตนานังสังการรัตตานังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจัตุริสีติสหัสธรรมะ ทานทา น, นุภาเวานะปิตการตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสาพเพ ต, เต สพเเัพเพติปยานสัพเพติอันตรายานสัพเพติอุปัฏฐาสาพเพติทุนิมิตานสัพเพติอวมังคะลาวินาสันตุอายุวัฒนโกท่านาวัฒนโกสิริวัฒ ยาสาวาท้าโกภลาวาท้าโกวันณวาท้าโกสุขาวาท้าโกโหตุสาป่า ธ, ธาุกข้าภยยาเวลาสโสกาสัตุจุปัทว า, านิ กอันตรายาปิวินสาสันตุจเตสสา ส, า ส, าสายสินที่ทานังลาพังโสติภาคขยังสุขังภาลักเิริอายุจาวันโนจะโพคางวุฒิจียสวาสตวาัสาจะอายุจาชีวสิต ทีพาวันตูเตมพาวันตูซาผ้ามังรักขันตูสาผ้าเทวตาสาผ้าพุทธานุภาเวนัสธาสดิพาวันภาวันตูซาผ้ามังการลัางรักขันตูซา วัตตาสะพัทธามานุภาเวนสสัสธาโสธิภาวนภาวตุสะพามังคารังรักขันตุสะพาเทวัตตาสะพสังคานุภาเวนสสัสธาโสติ ภาวนตเต